เจริญพรท่านพุทธศาส น, นิกชนอุบาสกอุบาสิกาผู้มีความศรัทธาเลิ่มใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2545ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน10เป็นวันพระเป็นวันฟังเป็นวันฟังธรรม เป็นวันที่ศรัทธาญาติโยมได้มาที่วัดเพื่อประกอบคุณงามความดีมีการทำบุญตักบาตรสมาทานศีลฟังเทศฟังธรรมอันเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลความปราศจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงสิ่งเหล่านี้นั้น สามารถเกิดขึ้นกับเราได้ทุกคนถ้าเราน้อมเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกับกายวาจาใจของเราแล้วสิ่งที่ดีที่งามที่เราทุกคนปรารถนา<ม>ก็จะเป็นไปตามที่เราต้องการกันแต่ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอน ฟังเทศฟังธรรมก็สักแต่ว่าฟังเมื่อฟังไปแล้วก็ไม่ได้เอามาใส่ใจเอามาไข้ครวนเอามาคิดมา พ, พิจารณาว่าที่พระได้เทศไปนั้นมีอะไรบ้างเรามีสิ่งที่ท่านเทศในตัวเราหรือไม่ถ้าเราไม่มีเราก็ควรที่จะน้อมนําสิ่งที่ท่านได้เทศได้สอน เอามา ป, ปฏิบัติกับตัวเราเพราะถ้าเราฟังเฉยๆแล้วไม่นำมาปฏิบัติผลที่ดีที่งามความเจริญ ร, รุ่งเรืองความปราศจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงย่อมไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้รวนเป็นผลไม่ใช่เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดขึ้นมานั่นเองต้องทำเหตุ เหตุนั่นก็คือการประพฤติตนในธรรมนองครองธรรมตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเมื่อนำไปประพฤติแล้วผลที่เราปรารถนาย่อมปรากฏขึ้นมาตามลำดับแห่งการปฏิบัติของเราอย่างพวกเราทุกคนนั้นไม่ปรารถนาที่จะเผชิญกับภัยอันตรายทั้งหลายเราก็ต้อง รู้ว่าภัยนั้นเกิดจากอะไรภัยที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกภัยที่แท้จริงนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในใจของเรานั่นเองคือความโลภความโกรธความหลงรองถ้ามีความโลภความโกรธความหลงครอบครองจิตใจแล้วความประพฤติของเราทางกายทางวาจา จะเป็นไปสู่ความเสื่อมเสียเมื่อเราไปประพฤติตนในทิศทางที่ไม่ดีย่อมสร้างเวรสร้างกรรมให้กับผู้อื่นเมื่อเป็นเมื่อมีเวรมีกรรมย่อมมีการจองเวรจองกรรมกันและในที่สุดก็จะต้องมีภัยย้อนกลับเข้ามาหาตัวเราแต่ถ้าเรา ควบคุมความโลภความโกรธความหลงของเราให้อยู่ในใจไม่ให้แพร่ออกมาทางวาจาและทางกายเวรย่อมไม่เกิดการจองเวรย่อมไม่มีภัยที่เกิดจากผู้อื่นที่จะมาทำร้ายเราย่อมไม่ปรากฏขึ้นมาดังนั้นเราจึงต้องให้ความสนใจ ต่อการควบคุมความโลภความโกรธความหลงที่อยู่ในใจของเรานั้นให้เบาบางลงและถ้าเป็นไปได้ในที่สุดก็ให้หมดไปจากจิตจากใจเลยได้ยิ่งดีเพราะถ้าไม่มีความโลภความโกรธความหลงแล้วจะไม่มีภัยอะไรทั้งหลายมา ทำร้ายเราได้ไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากผู้คนอื่นหรือภัยที่เกิดจากใจของเราเองคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดที่ไม่ดีความคิดที่คิดไปในทางของความโลภความโกรธความหลงเพื่อจะไม่ปรากฏขึ้นมาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงมอบอาวุธหรือเครื่องมือ ที่จะไว้ใช้กำหลาบไว้ใช้ควบคุมความโลภความโกรธความหลงไม่ให้เจริญงอกงามและให้หมดสิ้นไปตามลำดับต่อไปจากการปฏิบัติของเราทมนี้เรียกว่าอารักขากรรมฐานเป็นกรรมฐานที่จะรักษาคุ้มครองใจไม่ให้มีภัยต่างๆมาลุมเร้า มาสร้างความทุกข์สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจสร้างความเดือดร้อนใจให้กับตัวของเรากรรมฐานอาราักขากรรมฐานนี้ก็มีอยู่สี่หนึ่งคือพุทธานุสติกรรมฐานสองเมตตากรรมฐาน3มมรณานุสติกรรมฐาน 4. ี่อสุภกรรมฐาน นี่คือกรรมฐานสี่ชนิดด้วยกันที่ควรจะมีตั้งอยู่ในใจเป็นอารมณ์ที่เราควรที่จะส่งเสริมให้มีอยู่ในใจของเราถ้าเรามีอารมณ์ทั้งสี่ประการนี้แล้วจะสามารถควบคุมความโลภความโกรธความหลงไม่ให้ แสดงออกไปทางกายทางวาจาที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและกับตัวเราดังนั้นเราควรที่จ ะ, จะเจริญกรรมาฐานทั้งสี่นี้บ่อยๆถ้าเรามีเวลาว่างแทนที่เราจะใช้เวลาว่างๆนั้นนั่งคิดไปเรื่อยเปื่อยแบบไม่มีไม่มี ต้นสายปเหตุคิดไปเพอ้อฝันไปไม่มีเหตุไม่มีผลคิดไปแบบนั้นล้วนแต่จะสร้างความหลงให้เพิ่มขึ้นล้วนจะสร้างความโลภความโกรธให้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราควบคุมใจของเราให้คิดให้เจริญอยู่ในกรรมฐานทั้งสี่นี้แล้วใจของเราจะสงบใจของเราจะค่อยๆ มีความโลภความโกรธความหลงเบาบางลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดจะหมดไปจากจิตจากใจดังนั้นขอให้เราจงมาทําความรู้จักกับกรรมฐานทั้งสี่นี้กรรมฐานอันแรกก็คือพุทธานุสติคือการเราลึกถึงพระพุทธคุณเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าเราเลิกถึง ชีวิตความเป็นมาของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นใครทําไมถึงเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าท่านประพฤติตนอย่างไรถึงเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของคนเป็ น, ปนจํานวนมากนั่นก็เป็นเพราะว่าท่านได้ประพฤติตนในทางที่ดีที่งาม น, นั่นเองคือได้ ต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงจนกระทั่งความโลภความโกรธความหลงไม่มีเหลืออยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าเป็นเป็นพระทัยที่สะอาดบริสุทธิ์เมื่อไม่มีความโลภความโกรธความหลงแล้วการกระทําทางกายทางวาจานั้นย่อมเป็นไปเพื่อคุณเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นและแก่ตัว พระ อ, องค์เองพระพุทธองค์เป็นตัวแบบฉบับที่ดีที่จะทำให้เราทุกคนนั้นมีความขวนขวายมีความมั่นใจมีมีความเชื่อมั่นในการกระทำความดีในการละเว้นการกระทาความชั่วในการลดละความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจเพราะพระพุทธองค์ได้ทรงปฏิบัติมาแล้ว แล้วได้รับผลอันประเสริฐอันดีอันงามพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีอะไรเป็นสมบัติเลยภายนอกเพราะในใจนั้นเป็นใจที่มีความสมบูรณ์เพราะสิ่งที่สร้างความหิวความอยากความกระหายคือความโลภความโกรธความหลงนั้นไม่มีเหลืออยู่ในใจแล้วเลยใจกลายเป็นใจที่มีความ อิ่มมีความพอไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นอยู่ไปเฉยๆวันวันหนึ่งก็พอพอดีพอสบายใจไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกับอะไรเวลาที่พวกเราเอาพระมาห้อยคอเราก็คิดว่าเราห้อยมีพระห้อยคอแล้วเราจะปลอดภัยจะไม่มีอะไรมา ทำร้ายเราได้อย่างนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดคือถูกต้องบางส่วนคือถ้าเรามีพระห้อยคอแล้วเราลราลถึงพระพุทธเจ้าเราลึกถึงคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราประพฤติปฏิบัติตามถ้าเป็นอย่างนี้เราจะได้มีพระคุ้มของเรา แต่ถ้าเรามีแต่พระห้อยคอเฉยๆแต่เราไม่เคยสนใจถึงคำสั่งสอนของพระเจ้าไม่เคยสนใจแบบฉบับตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดําเนินมาให้กับเราเป็นปฏิบัติตามแล้วเราไม่ปฏิบัติตามเราก็จะไม่มีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระมาปกป้องคุ้มครองรักษาเรา เพราะพระที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เป็นวัตถุไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราปั้นขึ้นมาหรือหลอกขึ้นมาแล้วนํามาห้อยคอหรือมาติดตัวของเราสิ่งที่เรามาเอานํามาห้อยคอหรือติดตัวของเรานี้เป็นเพียงรูปของพระเป็นเครื่องเตือนสติให้เราเระลึกถึงคุณงามความดีให้เราประพฤติตนในทิศทางที่ดีให้เราละเว้นจากการกระทําบาปทํากรรม อย่างนี้ต่างหากหลอกถึงจะเ ป, เป็นผลขึ้นมาได้แต่ถ้าห้อยพระเฉยๆแต่ยังไปทำบาปทำกรรมยังไปมั่วสูมกับพวกอบายมุขต่างๆอันเป็นสิ่งที่จะนำมาสร่งความเสื่อมเสียแล้วต่อให้มีพระวิเศษขนาดไหนห้อยขอมีราคาเป็นล้านๆก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งภัย ที่เกิดจากการกระทำความชั่วของเราได้ดังนั้นเวลาเรามีพระห้อยคอนั้นขอให้เราจำไว้ว่ามีพระห้อยคอไวเพื่อเตือนสติเราว่าเรามีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราเราจะต้องปฏิบัติตัวเราให้เหมือนกับพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติได้แล้วเราจะมีพระคุ้มครองเราเพราะพระที่แท้จริงนั้นก็ คือคุณงามความดีบุญกุศลศีลธรรมนั่นเองถ้าเรามีคุณงามความดีมีบุญมีกุศลมีศีลธรรมอยู่ในใจของเราแล้วเราจะไม่ไปทำอะไรที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือกับตัวเราเมื่อเราไม่กระทาสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นกับตัวเราแล้ว เราก็ย่อมไม่มีภัยอะไรมารุมเราหรองนั่นเองนี่แหละคือความหมายของว่าการห้อยพระการมีพระติดตัวของเราก็คือให้เราจเจริญพุทธานุสติให้เราเระลึกถึงพระพุทธคุณให้เราเระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระเจ้าอยู่เสมอแล้วพยายามปฏิบัติตามแล้วเราจะมีพระคุ้มครองเรา นี่คืออารักขากรรมฐานชนิดหนึ่งชนิดที่สองที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้เราเจริญอยู่เสมอก็คือเมตตาภาวนาคือการเจริญเมตตาความเมตตานี้ก็คือความปรารถนาดีเราที่ให้ที่เรามีต่อผู้อื่นนั่นเองคือไม่ให้เรามองผู้อื่นเป็นศัตรู แต่ให้มองผู้อื่นว่าเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันเราทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเป็นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันเราควรจะมองกันด้วยความปรารถนาดีคือให้เราจเจริญคําว่าเอเวลาผลตุคือจงไม่มีเวรต่อกันละกันเราอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมให้กับใคร อนิจอบยาป ช, ชาโหตุจงไม่เบียดเบียนกันอนิคาโหตุให้จงให้ผู้อื่นเขามีความปาศากทุกกายทุกใจสุ ข, ขีอั ต, ตานังปะิหารันตุขอให้ทุกคนมีความสุขรักษาตนนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะ จเจริญอยู่บ่อยๆภายในใจของเราแล้วเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วเวลามีเหตุการณ์ที่จะสร้างความโกรธแค้นให้เกิดขึ้นกับเราเราจะได้มีเมตตานี้มาไว้ดับไฟของความโกรธแค้นไฟของความคิดที่จะเบียดเบียนผู้อื่นสังเกตดูเวลาที่ใจของเราเป็นปกติเราจะไม่คิดร้ายกับใคร แต่ถ้าใจของเรามีความโกรธขึ้นมาที่เกิดจากการกระทําของผู้อื่นทางกายหรือทางวาจา ก, ก็ดีเช่นผู้อื่นอาจจะพูดคําพูดในที่ไม่ถูกอกถูกใจเราหรือกระทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สร้างความเจ็บช้าน้ําใจให้กับเราเราจะเกิดความโกรธแค้นขึ้นมา ท, าทันทีและ ม, มีความโกรธแค้นแล้วเราก็จะจองเวรจองกรรม เราจะต้องหาวิธีการที่จะต้องทำร้ายเขาให้ละปัแต่ถ้าเรามีเมตตาอยู่ในใจของเราอยู่เสมอความรู้สึกที่ดีนี้จะปรากฏขึ้นมาดับความโกรธความอาฆาตพยาบาทที่ผุดขึ้นมาเหมือนกับไฟไฟถ้ามีน้ำย่อมไม่สามารถที่จะไหม้ไปได้นาน แต่ถ้าไฟไม่มีน้ำนั้นย่อมเผาไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นจุนไปได้ไฟในใจก็คือความโกรธความแค้นความอาฆาตพยาบาทก็เช่นกันถ้าไม่มีความเมตตาแล้วไม่มีไฟธรรมะก็คือความเมตตานี้แล้วก็จะเาผาผลาญใจให้เกิดความว้าวุ่นขุดนบัวทำให้อยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ได้จะต้องไปกระทา การอันใดอันหนึ่งอันเป็นการกระทำที่ไม่ดีสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและกับตัวของเราเองแล้วในที่สุดก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่โตขึ้นมา mm hmm. เกิดการทะเลาะวิวาท mm hmm. เกิดการทำร้ายร่างกายกันจนถึงกับฆ่ากันตายไปเลยที่ mm hmm. ก็เป็นได้เพราะขาดความเมตตาที่จะมาคอยยับยัง้งดับ ไฟของความโกรธไฟของความแค้นไฟของความอาฆาตพยาบาทขอให้เราอย่าไปคิดว่าการที่ผู้อื่นเขาสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับเราแล้วแล้วเราไม่ไปตอบแทนเขาด้วยการทำร้ายเขานั้นเป็นเป็นสิ่งที่เราจะขาดทุนหรือว่าเราเป็นคนโง่เราเป็นคนอ่อนแอนี่เป็นการเข้าใจผิดคนที่สามารถ ให้อภัยผู้อื่นได้นั้นต้องเป็นคนที่มีความแข็งมากแข็งแรงมากทางด้านจิตใจจิตเพราะว่าจะต้องต่อสู้กับความโกรธแค้นความอาฆาตพยาบาทถ้าไม่มีความเข้มแข็งในจิตใจคือไม่มีเมตตาธรรมนี่แล้วย่อมไม่สาม า, มารถที่จะต่อสู้กับความโกรธแค้นนี้ได้แต่ถ้าเรามีความเพียรในการเจริญเมตตา ทานี้อยู่อย่างเสมอแล้วเราจะทาให้จิตใจของเรามีความแข็งแกร่งที่จะสามารถต้านทานไฟของความโกรธของความแค้นนี้ได้ดังนั้นคนที่ไม่โกรธผู้อื่นคนที่อภัยผู้อื่นด้านี้ไม่ใช่เป็นคนอ่อนแอแต่เป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนที่ประเสริฐคนที่ ไม่สามารถที่จะให้อภัยผู้อื่นได้นั้นต่างหากที่ยังเป็นคนอ่อนแออยู่เป็นคนที่จะต้องเอาต้องไปล้างแค้นของผู้อื่นเขาเพราะไม่สามารถที่จะต่อสู้กับความโกรธแค้นที่มีอยู่ภายในใจของตนเองได้นั่นเองดังนั้นขอให้เราระลึกเสมอว่าการให้อภัยผู้อื่น การไม่จองเวรผู้อื่นนี้เป็นคุณสมบัติของผู้ประเสริฐของคนดีของคนที่แข็งแกร่ง ท, ที่แท้จริงเป็นอย่างนี้อย่างพระพุทธเจ้าของเราเ ป, เป็นตัวอย่างไม่ว่าใครจะมากล่าวร้ายท่านอย่างไรจะมาทำร้ายท่านอย่างไรพระพุทธองค์ไม่เคยตอบโต้เขาเลยแม้แต่นิดเดียวแม้แต่คำพูด ให้ร้ายกับเขาก็ไม่มีอย่าว่าจากการกระทาร้ายของเลยแต่กับมีมีพระเมตตาให้อภัยเขากับสงสารเขาเพราะรู้ว่าคนที่ถูกไฟของความโกรธแค้น mm. เผาผลาญนั้นเป็นคนที่มีแต่ความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเลยคนที่สามารถดับไฟของความโกรธแค้นได้นั้นต่างหากเรา ที่เป็นคนที่มีความสุขนี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมเราจึงต้องเจริญเมตตาภาวนาเพราะเมื่อเรามีเมตตาอยู่ในใจแล้วใจของเราจะเย็นเพราะจะมีน้ําคอยดับไฟของความโกรธความแค้นอยู่เวลาที่เกิดปรากฏขึ้นมาในใจของเรารักษาใจของเราให้สงบล่มเย็นและในขณะเดียวกันก็รักษา ไม่ให้เราไปทำร้ายผู้อื่นเมื่อเราไม่ไปทำร้ายผู้อื่นผู้อื่นเขาก็ไม่กลับมาทำร้ายเราเราก็จะอยู่ได้ด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุดเพียงแต่ให้อภัยเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นของยากเย็นเลยเวลาใครเขาทำอะไรให้เราโกรธ mm hmm. ก็มองมาที่ใจเราอย่าไปมองที่เขาเราไปมองเขาเรายิ่งโกรธเขามากขึ้นไปใหญ่ เราหันมาดูที่ใจของเราว่าใจของเราตอนนี้เป็นอย่างไรนิ่งเฉย อ, อยู่หรือโกรธแค้นถ้าโกรธแค้นก็ต้องใช้เมตตาไปดับความแค้นนั้นถ้าไม่โกรธแค้นเลยก็แสดงว่าใจของเราได้พัฒนาไปมากแล้วใจของเราเริ่มใกล้สู่ความเป็นพระมากเข้าไปแล้วใจของเราใกล้พ้นทุกข์แล้วเราควรที่จะมีความดีอกดีใจ ที่เราสามารถชนะใจของเราได้คือสามารถชนะความโกรธความแค้นได้แทนที่จะไปคิดเสียอกเสียใจว่าเราเป็นคนอ่อนแอเป็นคนที่สู้เขาไม่ได้นี่ไม่ใช่เป็นความคิดที่ถูกพระพุทธองค์ทรงสอนไว้สเสมอว่าการที่เราจะไปชนะผู้อื่นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านครั้งก็ยังสู้ที่จะชนะใจของเราไม่ได้ พอเวลาที่เราชนะใจของเราแล้วใจเราเย็นใจเราสงบใจเราสบายแต่ถ้าเราไปชนะผู้อื่นเราก็ไปสร้างความโกรธแค้นให้กับผู้อื่นเขาสร้างเวรสร้างกรรมให้กับเขาเขาก็จะต้องคอยมาจองเวรจองกรรมเราเราก็จะต้องมีความกังวลคอยจะต้องมีความหวงว่าผู้อื่นเขาจะมา มาตอบแทนการกระทำของเราเมื่อไรนั่นเองนี่แหละคือเหตุผลที่เราจะต้องเจริญเมตตาภาวนาอยู่อย่างเสมอมเพราะเมื่อเราจเจริญเมตตาแล้ว<ม>เราจะไม่มีภัยทั้งภายนอกและภายในมา ม, มารุมเรามาทำลายเรานะกรรมฐานชนิดที่สามที่เราควรจะเจริญอยู่เสมอ ก็คือมรณานุสติกรรมฐานมารณานุสติกรรมฐานก็คือการระลึกถึงความตายเพราะคนเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้นั้นย่อมต้องมีความแก่มีความเจ็บและมีความตายเป็นธรรมดาไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ทุกทุกคนที่อยู่ในสารา น, นี้อีกร้อยปีข้างหน้า เราคงจะไม่ได้มานั่งอยู่ที่ศาลา น, นี้อีกแล้วร่างกายของเราคงจะกลายเป็นเท่าฐานไปเพราะนี่เป็นธรรมดาเป็นปกติของธรรมชาติของร่างกายนี้ที่ที่จะต้องเป็นไปถ้าเราเลิกถึงความตายแล้วมันจะทำให้เรามีความรู้จักว่าชีวิตของเรานั้นมีขอบมีเขตเราไม่ได้อยู่ไปตลอด มันจะช่วยให้เราลดความโลภได้เพราะเรามานั่งคิดว่าเราจะเอาไปทำไมในเมื่อเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไปตลอดเราได้มามากน้อยแค่ไหนเมื่อถึงเวลาที่เราตายไปเราก็เอาไปไม่ได้แล้วเราเอาหามาทำไมสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ไม่มีสาระสิ่งที่มีสาระมีอยู่เราทำไมไม่หากัน สิ่งที่มีสาระสิ่งที่เราสามารถเอาติดตัวไปกับใจของเราได้หลังจากที่เราตายก็คือบุญกุศลหรือบาปกรรมนั่นเองสิ่งเหล่านี้จะติดตัวไปกับใจของเราถ้าเราทำบุญทากุศลบุญและกุศลนี่ก็จะติดไปกับใจของเราถ้าเราทำบาปทำกรรมบาปกรรมก็จะติดไปกับใจของเราแลวเมื่อ เรามีสิ่งเหล่านี้ไปกับเราสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้เราไปเกิดที่ดีหรือที่ไม่ดีไปเกิดในสุขติหรือไปเกิดในอบาย mm hmm. ก็ขึ้นอยู่กับบุญและกุศลและบาปกรรมที่เรากระทากันในชาตินี้และในอดีตที่ผ่านมา mm hmm. นี่เป็นเรื่องจริง mm hmm. เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรจรเห็น เป็นสิ่งที่พระเจ้ายืนยันมาตลอดเวลาและพระอริยสงสาวกผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระเจ้าแล้วนําไปปร ะ, ประพฤติปฏิบัติไปพิสูจน์จนเห็นตามอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วว่าบาปกรรมบุญกุศลนี้มีจริงเป็นสิ่งที่ติดตัวไปกับเราเป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงดังนั้นถ้าเรายังปรารถนา ความสุขความเจริญในภพชาติข้างหน้าต่อไปขอให้เราอย่าประมาทในบุญในกุศลอย่าประมาทในบาปในกรรมจงพยายามทําแต่บุญทําแต่กุศลพยายามละเมินการกระทําบาปแต่เราจะไม่คิดถึงเรื่องเหล่านี้ถ้าเราไม่เจริญมรณานุสติถ้าเราไม่ละลึกถึงความตายพอเราเผลอปับ๊บเราไม่คิดถึงความตายไปเท่านั้น เราก็จะถูกอำนาจของความหลงความโลภครอบนำใจก็จะทำให้เราเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มีคุณค่าขึ้นมาก็อยากจะได้อยากจะสะสมขึ้นมา ท, าทันทีโดยลืมความตายที่จะตามมาต่อไปแต่ถ้าเราพยายามจเจริญความระลึกถึงความตายอยู่อย่างสม่าเสมอแล้วเวลาเกิดความโลภเกิดความหลงมันก็จะ หยุดได้เบรกได้เราจะเวลาเราอยากจะได้อะไรขึ้นมาเราจะคิดขึ้นมาทันทีว่าเอาไปทําไมเดี๋ยวเราก็ตายไปแล้วเราไม่มีเราก็อยู่ได้กับสิ่งเหล่านี้ยกเว้นสิ่งที่มันมีความจําเป็นที่ต้องมีเพื่อที่จะได้อยู่ต่อไปได้สิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องมีอย่างเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องมีอยู่มียาไวรัประทานเพื่อที่จะได้รักษาร่างกายนี้ให้อยู่ไป นานเท่าที่จะนานได้เพื่อที่เราจะได้สะสมบุญกันมากๆนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ดูแลรักษาร่างกายของเราเวลาเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราไม่ไม่รักษาร่างกายก็จะชำรุดและอาจจะตายไปทําให้เราไม่สามารถประกอบคุณงานความดีได้นี่เป็นสิ่งจําเป็นเราก็ต้องทํา แต่สิ่งที่มันไม่จําเป็นเช่นไปเที่ยวไปกินเหล้าเมายาไปเล่นการพ น, นันสิ่งเหล่านี้มันไม่จําเป็นกับชีวิตของเราไม่ชิไม่ไม่ไม่ใช่เป็นความสุขมันมีแต่ความทุกข์ตามมาเวลาไปเที่ยวกลับมาก็มีแต่ความอยากที่อยากจะไปเที่ยวอีกมันเป็นติดนิสัยและการเที่ยวแต่ละครั้งนี้ก็ต้องใช้เงินใช้ทองถ้าเราไม่มีเงินมีทองเราจะทําอย่างไร เราก็อาจจะต้องไปทําบาปทํากรรมเพื่อที่จะหาเงินหาทองมาไปเที่ยวนั่นเองแต่ถ้าเราคิดถึงความตายและคิดถึงภพชาติที่จะตามมาต่อไปเราก็จะชนะความโลภความอยากนี้ได้ดังนั้นเราควรที่จะเจริญความตายนี้อย่างเสมอเสมอทุกครั้งถ้าเร า, เราละลกได้ละเลึกไปเถิด ผู้เจ้าสอนว่าให้ระลึกทุกลมหายใจเข้าออกเลยเวลาหายใจเข้าก็ระลึกว่าหายใจเข้าไปแล้วถ้าไม่หายใจออกมาเราก็ตายหรือเวลาหายใจออกไปแล้วไม่หายใจเข้ามาเราก็ตายถ้าเรามีความเราลึกถึงความตายอยู่ใกล้จมูกเราอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วรับรองได้ว่าความโลภ ก, กับความหลงนี้จะไม่สามารถมาหลอกเราได้แล้วเราจะทำเราจะมีแต่ความ ขยันหมั่นเพียรในการทำความดีละความชื่วแล้วเมื่อเราทำแต่แต่สิ่งที่ดีไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วใจของเราก็จะมีความสุข น, นี่คือนี่คือมรณานุสติและประการสุดท้ายก็คื อ, อ, อกรรมฐานอารักฐากรรมฐานองที่สี่ก็คืออสุภะกรรมฐาน การเจริญดูความไม่สวยงามของร่างกายร่างกายของคนเรานั้นถ้าเรามองให้ครบถ้วนแล้วเราจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามเหตุที่เรายังเห็นร่างกายนี้สวยงามอยู่ก็เพราะเรามองเพียงบางส่วนเท่านั้นเองส่วนที่เราเห็นนั้นมีอยู่เพียงห้าส่วนคือผมขนเล็บฟันหนังนี่คือห้าอาการที่เราเห็นอยู่ภายนอก แต่เราไม่เห็นอาการที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังเพราะคนเหล่านั้นมีอาการทั้งหมดถึง32อาการด้วยกันเราเพียงเห็นเพียงแต่5อาการก็เลยทำให้เราหลงว่าเป็นรูปร่างที่สวยงามได้แต่ถ้าเรามอง